ทุกนี้จะมีงานเทศมหาชาติเรือนปัญนหยาหลังใหญ่ของยายจึงดูคับแคบลงไปถนัดเมื่อลูกๆหลานๆมากันพร้อมหน้าเนื่องจากนิมนต์พระมาเทศปีละสองครั้งยายจึงลงทุนซื้อธรรมาสามหลังมาไว้ประจําบ้านจะได้ไม่ต้องไปขอหยิบขอยืมจากวัดและที่ต้องซื้อไว้ถึงสามหลังก็เพราะนิมนต์พระมาะครั้งละสามรูป ซึ่งท่านจะขึ้นธรรมมาตุเทศโต้ต่อกันเรียกว่าเทศปุจฉชาวิสัชนาการที่พระเทศสามรูปในคราวเดียวกันคนโบราณเขาเรียกว่าเทศสามธรรมมาตุบรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ชายช่วยกันตกแต่งสถานที่เริ่มตั้งแต่ประตูรั้วามาจนถึงบนเรือนรือนำกิ่งไม้สดและต้นกล้วยต้นอ้อยมาตกแต่ง ทำเป็นซุ้มประตูป่าส่วนผู้ผู้หญิงนำกระดาษสีมาตัดเป็นพวงมาลัยและเป็นรูปดอกไม้ประดับตามเสาเรือนและประตูหน้าต่างรอบๆธรรมมาตรแต่งด้วยกระดาษหลากสีตัดเป็นลวดลายงดงามมีต้นกล้วยและต้นอ้อยผูกติดไว้ทั้งสี่มุมในแต่ละธรรมมาตรพวกถนัดทางทําอาหารก็เข้าครัวเตรียมทํากับข้าว และของหวานไว้เลี้ยงพระเลี้ยงคนซึ่งนอกจากจะเป็นลูกๆหลานๆของยายแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงตลอดจนคนที่คุ้นเคยกันมาร่วมฟังเทศด้วยตกค่ำผู้ผู้ชายช่วยกันจุดตะเกียงเจ้าพายุมาแขวนบนคือพวกเด็กๆพากันตื่นเต้นกับแสงไฟต่างวิ่งเล่นวิ่งไล่กันเป็นที่สนุกสนานขณะที่พวกผู้ใหญ่ ช่วยกันทา ง, งานอย่างขมักขเม้นด้วยหวังจะได้บุญการตรีมงานเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาสองยามผู้ที่บ้านอยู่ใกล้พากันกลับไปหลับนอนอยังบ้านเรือนของตนส่วนพวกบ้านไกลถือโอกาสนอนค้างที่บ้านยายแม่จวนมารดา ข, ของเด็กชายเจริญและเป็นลูกสาวคนเล็กของยายมากับลูกสาวทั้ง9้าคนปล่อยให้ทิดพองผู้สามี เฝ้าบ้านแต่เพียงลำพังไม่จะนอนค้างหรือจะกลับบ้านครับเด็กชายผมแกลถดามมารดาเองอยากให้แม่ค้างหรืออยากให้กลับละ่ะเธอย้อนถามพบกันครั้งนี้ดูเหมือนว่าลูกชายเปลี่ยนไปแต่ก่อนเขาแสดงท่าหมางเมินเหินห่างไม่ยินดียินร้ายเมื่อพบกันมาบัดนี้กลับสนใจไท่ถาม ก็และแต่แม่สิครับถ้าแม่อยากกลับถึงผมจะอยากให้ค้างแม่ก็คงไม่ค้างใช่ไหละ่ะแต่วันนี้แม่ไม่อยากกลับเอ็งจะให้แม่นอนที่ไหนเธอถามอยากจะบอกลูกว่าเธอจะนอนกับเขาเพราะถึงเวลาแล้วที่จะได้ระบายความอึดอัดขัดข้องที่หมักดองอยู่ในใจมาช้านานนอนห้องผมก็ได้ครับห้องออกกว้าง เด็กชายถือโอกาสชวนด้วยอยากใกล้ชิดมารดาอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากผู้บังเกิดกล้าวดีเหมือนกันเดี๋ยวนะให้แม่ไปบอกพี่ๆเองก่อนเธอลุกออกไปบอกลูกสาวให้พวกหล่อนจัดการปูที่หลับที่นอนกันเองบ้านยายมีเครื่องนอนครบทั้งที่นอนหมอนมุ้งและผ้าห่ม เสร็จแล้วจึงกลับมาที่ห้องลูกชายซึ่งขปู่ที่นอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแม้จะรู้สึกง่วงด้วยเลยสองยามไปแล้วหากแม่จวนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระด้วยเคยปฏิบัติจนชินคืนไหนไม่ได้สวดมนต์คืนนั้นจะนอนไม่หลับนิสัยดีงามนี้ตกทอดมาถึงลูกๆของเธอพวกเขาสวดมนต์เป็นกันทุกคนเพราะเธอสอนลูก โดยทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าการสอนลูกให้เป็นคนดีนั้นต้องสอนกันตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เด็กชายเจริญสวดมนต์เสร็จก่อนมารดาเพราะสวดเพียงห้าบทคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหงมหาการุณิโกแม่จวนก็สวดห้าบทนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กต่อมา หลวงพ่อเชื้อท่านแนะนำให้สวดกรณียะเมตสูตรกับเมตตานิสังสสูตรเพิ่มอีกสองบทสวดมนต์เสร็จเธอจึงล้มตัวลงนอนดึงบุตรชายคนเดียวเข้ามากอดเด็กชายกอดมารดานแน่นด้วยความโหยหาความรักมานานไอหนูเอ็งไม่เกลียดแม่แล้วรึทีท่าหมางเมินของลูกชายในวันเก่าๆทาให้เธอคิดว่าเขาเกลียด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 ผมได้เห็นแม่เพียงปีละสองครั้งตอนมีเทศแม่ไม่รักผมใช่ไหมครับคำพูดของลูกชายทำให้แม่จวนร้องไห้เธอกอดลูกแน่นพูดทั้งน้ำตาว่าโถทูนหัวของแม่ถ้าไม่พูดออกมาแม่ก็ยังคงคิดว่าเองเกลียดแม่ที่แท้ก็น้อยอกน้อยใจเพราะคิดว่าแม่ไม่รักถ้ารักก็คงไม่ยกผมให้กับยาย เขาตัดพอแม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเองไม่รู้หรอกว่าวันที่ยายมารับตัวเองไปนั้นแม่ร้องไห้ใจแทบขาดเพราะมีลูกชายอยู่คนเดียวในบรรดาลูกสิบคนแม่รักเองมากที่สุดถึงพ่อเองเขาก็รักลูกชายมากกว่าลูกสาวแล้วทำไมถึงต้องยกผมให้ยายด้วยล่ะครับหรือเป็นเพราะรักจึงต้องผลักไสไล่ทรงเด็กชายแกล้งถาม ที่จริงยายเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วหาก็ยังอยากฟังจากปากมารดาอีกครั้งแม่จวนหยุดร้องไห้เล่าให้ลูกฟังว่าพ่อกับแม่ไม่ได้คิดจะผลักไสไล่ทรงดังที่เองคิดแต่เพราะเห็นแก่หลวงพ่อเชื้อท่านอุตสาห์แนะนำด้วยความหวังดีท่านเป็นผู้วิเศษนะไอ้หนูพ่อกับแม่คิดว่าท่านคงจะมองเห็นอนาคตของเอง ถึงได้ไม่อยากให้อยู่กับพ่อแม่หรือครับผมนึกว่าแม่เกรงใจยายซะอีกเรือ่องยายนั้นแม่ไม่ห่วงพระส่งพี่ๆเองมาก็ได้แต่พ่อกับแม่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเชื้อท่านคงเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเองก็เลยต้องทำตามที่ท่านแนะนำที่สำคัญกว่านั้นคือพ่อเองเขากลัวอย่างที่แม่กลัวกลัวอะไรครับ กลัวเองจะเป็นกระเทยนะสิมีพี่เป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นห่วงว่าเองจะมากลายเป็นผู้หญิงไปอีกคนถึงตอนนี้เด็กชายหัวเราะคิกคเมื่อนึกไปถึงอีจ้อยเพื่อนร่วมชั้นเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของบิดามารดาอย่างแท้จริงก็ตอนนี้เองคำอะไรหรือไอ้หนูแม่จวนอยากรู้คำกระเทยสิครับแม่ เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อจ้อยมันเป็นผู้ชายแต่เพื่อนๆ เ, เรียกอีจ้อยเพราะมันดัดจริตดีดิน้นจีบปากจีบคอพูดแถมทําสิยงอ่อนสิยงหวานเดินตูดบิดไปบิดมาดูน่าเกลียดร้ายกว่านั้นนะแม่มันนุ่งกระโปรงมาโรงเรียนแม่มันร้องไห้ร้องห่มมาฟ้องครูว่าลูกชายไม่ยอมนุ่งกางเกงเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งแล้วครูทํำยังไงครูเขาก็เกลียดครับมันก็ยอมให้ครูทําโทษทุกวัน จนครูเบื่อไปเองเขาบอกแม่มันว่าให้ทำใจเถิดนึกว่าเป็นเวรเป็นกรรมผู้เพื่อนๆก็เรยเรียกมันว่าอีจ้อยจนติดปากเด็กชายผู้ฉอดๆรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขกว่าทุกวันน่าสงสารนะลูกฟังแล้วแม่สังเวชใจเหลือเกินเป็นความทุกข์อันใหญ่ลุงของพ่อแม่ที่ลูกมามีอันเป็นไปเช่นนั้นครับพ่อแม่ขอมันก็กลุ้มใจ มีลูกชายคนเดียวซะด้วยเห็นเขาว่าพี่ๆมันเป็นผู้หญิงหมดมันก็เลยอยากเป็นผู้หญิงบ้างผมโชคดีนะครับที่มาอยู่กับยายไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างอีจ้อยไปแล้วก็ได้พูดอย่างโล่งอกนั่นสิพ่อกับแม่ถึงต้องยอมยกเอ็งให้กับยายไอ้หนูถ้าเอ็งกลายเป็นกระเทยไปแล้วก็แม่ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆอย่านะครับแม่ยายสอนว่า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 แล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีกเจชาติอย่างนั้นหรือครับลุงพ่อเชื่อท่านว่าอย่างนั้นแล้วแม่ก็เชื่อเพราะท่านเป็นผู้วิเศษผู้วิเศษเป็นยังไงครับแม่คือผู้สูงด้วยคุณธรรมเพราะได้ฝึกอบรมจิตมาดีแล้วทั้งได้เคยสร้างสมวาสนาบารมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติทําให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆเป็นต้นว่าหูทิพตาทิพรู้วารจิต อื่นระลึกชาติได้มีอิทธิฤทธิเช่นเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นตน้นแม่จวนอธิบายจากปัญญาที่เกิดจากการฟังพระเทศคือสุตตมยปัญญาคนที่เหาะได้มีจริงๆรหรือครับผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคนตัวหนักกว่านกจะล่องลอยไปในอากาศได้ยังไงเด็กชายไม่อยากจะเชื่อได้สิลูก อย่างหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาท่านก็เหาะได้ยายเองเล่าให้แม่ฟังว่าท่านเคยเหาะไปเที่ยวป่าหิมพ า, านตตามความเข้าใจของแม่คนที่เหาะได้นั้นเขาไม่ได้เอากายเนื้อไปแต่ไปด้วยกายทิพย์กายเนื้อนั้นหยาบและหนักส่วนกายทิพย์เป็นกายละเอียดและเบาพอๆกับอากาศจึงล่องลอยไปได้ถ้าเช่นนั้นผมจะบวชเป็นพระอย่างหลวงพ่อช้าง เพราะผมอยากเหาะได้คนอายุส2องพูดตามภาษาเด็กก็ดีสิแม่จะได้ขอเกาะชายพระเหลืองไปเที่ยวป่าหิมพานด์ด้วยแม่จวนพลอยนึกสนุกไปกับลูกไม่ได้หรอกครับแม่เป็นผู้หญิงประเดี๋ยวผมต้องอาบัติพระกับผู้หญิงถูกตัวกันไม่ได้คนเป็นลูกว่าด้วยเคยรู้มาจากผู้บรรยายถ้าอย่างนั้นแม่ไม่ไปก็ได้คนเป็นแม่พูดเงงเ เอาอย่างนี้ดีกว่าให้พ่อไปกับผมแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังดีไหมครับเด็กชายพยายามพูดเอาใจมารดาไม่ดีแน่เกิดพ่อเองไปได้มักกะลีผนเป็นเมียก็จะไม่กลับมาหาแม่คนพูดถึงมักกะลีผนคืออะไรครับเขาว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าหิมพานต้นไม้นี้ออกลูกเป็นผู้หญิง รูปร่างสวยโสภาเหมือนเด็กสาวอายุ1 5 1หถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าแม่น่ะหึงกระทั่งผลไม้ก็ไม่ใช่ผลไม้ธรรมดานี่นาไอ้หนูเขาว่ามะกรีผลนี่สวยมากขนาดพวกฤาษีแย่งกันเก็บออกมาทำเมียเวลาที่มันหล่นจากต้นส่วนพวกวิทยาธรและคนทันที่เหาะได้ก็จะเหาะไปปลิดเอามาทำเมีย ผมจะเก็บมักรีผลที่ออกลูกเป็นผู้ชายมาฝากแม่พ่อจะได้หึงบ้างแม่ว่าดีไหมครับไม่ได้รอกไอ้หนูหลวงพ่อช้างท่านว่ามักรีผลต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถ้าเป็นผู้ชายแปลว่าของเก๊ของแท้ต้องเป็นผู้หญิงมารดาของเด็กผมแกละอธิบายเธอเชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อช้างเล่าให้มารดาฟังดีละถ้าผมไปป่าหิมผาน จะเก็บมาทำเมียบ้างเองเป็นพระทำอย่างนั้นก็ต้องอาบัดปาราชิกน่ะสิมารดาท้วงผมก็ฝากให้พ่ออุ้มมาเผื่อสิครับพอกลับมาผมก็จะสึกอย่าคิดลามกจกกรปริดอย่างนั้นเองอยังเด็กนะไอ้หนูเอาสมองไว้คิดเรื่องเรียนดีกว่านอนเถอะดึกมากแล้วแม่จวนพูดตัดบทแม่ชักหึงแล้วใช่มาม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 ที่เคยอารมณ์ดีก็กลายเป็นหงุดหงิดโมโหง่ายเขารักเองมากนะไอ้หนูแต่เขาก็ไม่เคยมาเยี่ยมผมเลยนะครับผมได้เห็นหน้าพ่อกับแม่ปีละสองครั้งเท่านั้นนี่ถายายไม่จัดให้มีเทศมหาชาติที่บ้านผมก็คงจำพ่อกับแม่ตัวเองไม่ได้แล้วแม้จะหายน้อยใจหากยังไม่ไหยประชดประชันก็พ่อเองเขาต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่ ก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกเต้าจะเอาเวลาที่ไหนมาบ่อยๆเองโตแล้วก็น่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่และพี่ๆเขาบ้างมารดาพูดตัดบทก็ผมนึกว่าพ่อแม่ไม่ต้องการผมแล้วจึงไม่อยากไปให้เห็นหน้าเอาเถอะครับต่อไปนี้ผมจะหมันไปเยี่ยมพ่อกับแม่ผมแชักง่วงแล้วเรานอนกันดีกว่านะครับวันรุ่งขึ้นพวกหลานหลาน ถูกปลุกให้ลูกมาฟังเทศคาถาพันซึ่งพระจะเริ่มเทศเวลาห้านาฬิกาตรงที่ยังเล็กนักก็ส่งเสียงร้องให้กระจององอแงเพราะนอนไม่เต็มอิ่มส่วนพวกที่โตหน่อยแต่ซุกซนชอบหนีไปวิ่งเล่นก็ถูกยายจับผูกขาล่ามไว้กับเสาเรือนเป็นการบังคับให้ฟังสภัยคนหนึ่งไม่อยากให้ยายทำกับลูกอย่างนั้นหากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมา เกรงใจคนเป็นแม่ผัวจึงได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้แต่ผู้เดียวจะว่าแม่ผัวลาเอียงก็พูดไม่ได้เพราะมิใช่แต่ลูกของตัวเท่านั้นที่ถูกทำเช่นนี้ลูกของลูกสาวแท้ๆ แ, แม่ผัวก็ยังทำกว่าจะจับหลานคนโน้นคนนี้ผูกขาเสร็จก็เล่นเอายายเหนื่อยกระนั้นก็มีความสุขกับการเกณฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์ พวกลูกสาวลูกสะพ้ยของยายเขาไม่ยอมช่วยเพราะสงสารลูกของตนแต่ยายกลับคิดว่าถ้าหลานไปตกนรกจะยิ่งน่าสงสารกว่านี้หลายเท่านักจัดการกับหลานคนอื่นๆเสร็จแล้วยายก็เรียกหาหลานคนโปรดยายครับผมอยู่ปสี่แล้วยายเลิกผูกขาผมสักทีนะครับเด็กชายวิงวอนได้รู้ว่าตนจะต้องเป็นจำเลยรายต่อไป ไม่เป็นไรเอาไว้เองอยู่มัธยมหนึง่งยายคอยเลิกผูกยายพูดง่ายๆหากเด็กชายรู้สึกว่าฟังยากผมสาบานว่าจะไม่หนีไปเล่นอย่างเด็ดขาดจริงๆนะยายยายไม่ชอบสบทสาบานคนดีเขาไม่ต้องสาบานพูดอะไรคนก็เชื่อเพราะเขาไม่พูดจาหรอะและ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 จึงจำใจให้ยายผูกขาเช่นเดียวกับหลานที่ซุกซนคนอื่นๆรู้สึกอับอายขายหน้าตรงที่เขาตัวโตที่สุดและอายุมากที่สุดในบรรดาผู้ที่ถูกผูกขาไม่เป็นไรปีหน้าก็ได้ขึ้นมัธยมแล้วเด็กผมแกะปลอบใจตัวเองแต่แล้วก็เกิดความคิดขัดแย้งในใจแล้วถ้าเกิดสอบตกละ่ะต่อไปนี้เห็นจะต้องตั้งอกตั้งใจเรียนสที